โอกาสหลวงพ่อพุ่นประธานแล้วก็คณนะสงฆนะ์ทุกทุกท่าเจริญพรแย้มโยมทุกท่านนะก็ะนั่งตั้งเปนตั้สบายให้ท่าตั้งน้โมมากแต่ให้ตั้งใจนะอตั้งน้โมจริงๆเราต้อให้เราตั้งใจมีสมาธินในการตั้งนะมีความสํารวมมีความเารีในพระธรรม นะก็ให้เราพิจารณาตามนะในในพระธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนะวันนี้ก็พวกเราเนะจ้าหน้าที่นะโรงพยาบ า, าลอุตรดิตถกทุกท่านนะแล้วก็อาจจะมีญาติธรรมจากั้งนอกด้วยนะมานะร่วมกันทำบุญนะในงานเรียกว่าชาวพนักานิจยศพที่ไม่มีญาตนะิหรือว่าอาจจะ ารกที่อาจจะเสียชีวิตในขณะที่ตั้งคัรภ์หรือเพ่งแรกคลอดเนาะที่จริงถ้าจะว่าเปจริงศพที่ไม่มีญาติเนี่ยไม่มีนะเพราะเขาก็มีพ่อมีแม่นาะบางคนก็มีพี่มีน้องแต่เปี่ยนแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะจากไปก่อนหรืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว ทุกคนมีญาตินะที่จริงไม้แต่ศพที่เขาซึ่งเสียชีวิตไปนะที่จริงเขาอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้นะหลวงพาะกำเขียนน ะ, ะอาจารย์ของนัตมาเนะ่าบอกว่าไม่มีใครเป็นคนแปกหน้ามีแต่ญาติที่เพิ่งได้มาพบกันแนะพวกเราทุกคนในที่นี่นะล้วนเคยเป็นญาติกันทั้งนั้นนะ ชาต น, นี้บางคนก็อาจจะเป็นญาจิกันทําสายเลือดนะพอจะสืบสกุลกันได้แต่ในสังสารวัตรนี้นะพวกเราเวียนว่ายใจเกิดมาไม่รู้กี่ภบกี่ชาตินะนักไม่ถ้วนนะเราอาจจะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยานะเป็นพี่ี่น้องกันจริงๆนะพวกเราทุกคนในที่นี้นะอาจจะรวมถึงสัตว์สัตว์ทั้งหลายด้วย ที่จริงอย่างวันนี้ที่เรามาทําบุญให้กับศพที่เขานาเสียชีวิตไป mm. ก็ถือว่าเขา mm. เขาเห็นว่าอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องของเรานะ่ะในภบใดภพหนึ่ง mm. หรือว่าเรามาทำบุญบูรนณะเสริมบุญเสริมร่วนให้กับญาติพี่น้องของเราด้วยนะ mm. แต่อาจจะเป็นญาติพี่น้องในภ พ, พไหนก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยนะที่จริงในภบนี้เราก็ยังได้เป็นญาติพี่น้องกันในภพภูมิที่เป็นมนุษยนะ์นั่นแหละ เขาก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเรานะแต่เขาก็ตายไปก่อนเรานะเราจะมีชีวิตอยู่เราก็มาทําบุญกุศลให้ไว้เนี่นแหนะถือว่าเราทําบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราเนาะที่จริงถ้าคนเราทุกคนนะมองกันเป็นเป็นญาติมิตรนะเป็นญาติพี่น้องกันเนะี่ยเราจะเราจะมีความรักนะเราจะมีความสามคัคคีแล้วถ้าเราก็จะ พยายามจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนะเาะเลยเห็นไหมถ้าญาติพี่น้องของเราป่วยญาติพี่น้องของเรามีปัญหาเนี่ยถ้าเราพอจะช่วยได้นะเราก็จะช่วยเต็มที่ใช่ไหมแต่พอบางทีเราเราไม่คิดว่าเออคนที่เขาป่วยคนที่เขาเจ็บคนที่ามีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ญาติของเรานะบางทีเราก็จะไม่ค่อยสนายนะไม่ค่อยที่จะกระดือรือบางทีช่วยกันแต่ถ้าเรามองว่าที่จริง คนทุกคนหรือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยล้วนเคยเป็นญาติพี่น้องเราเท่านั้นนะโอ้เราก็จะมีเมตานะเมตตาแปลว่าความปรารถนาให้เขามีความสุขมีความกระุณานะคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุ๊บนมะีมุติตานะมุติตาแปลว่ามีความยินดีนะเมื่อเขามีความสุขหรือเมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดี ไม่ใช่มีความอิจฉานะบางคนคนอื่นได้ดีแล้วก็อิจฉาแต่ถ้าคนมีมุติตาเนี่ยคนได้ดีแล้วก็ชื่นชมแล้วกิน ด, ดีด้วยแต่ก็บางครั้งมันก็มีเหตุปัจจัยที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนาะก็ต้องมีอุเบกขาวางใจนะบางทีอย่างเช่นมาว่าหมอพยาบาล น, นะหรือไม่แต่ตาเองนะบางทีเราช่วยคนอื่น เรบอกอเรสอนคนอื่นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราปรารถนาทุกๆคนเนาะหรือทุกช่วงเวลาเรารักษาก็าเต็มที่นะแต่ก็คนเราก็มีเหตุปัจจัยให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนาะถ้าเองก็ทำหน้านที่บอกสอนเต็มที่แต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลทุกๆรายไปเนะนี่ยถ้าเรามองทุกคนนะเป็นญาติเป็นมิตรกันเนี่ย เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรหมวิหารทีนในใจของเราพรหมวิหารในใจของเรานะั้นเป็นสิ่งที่ที่เราก็รู้จักมาตั้งนานแล้วนะเนาะอิเมตากรุณามุติตาอุเบคาเนี่ยเรารู้จักมาตั้งมัเราเรารู้จักมานานแล้วแต่มันเกิดขึ้นในใจของเราหรือยังเนี่ยนะให้เราพยายามสร้งางขึ้นนะบ่อยๆหรือถ้าเรามีมีพรหมวิหารในใจของเราเนี่ยเราจะมีสิล ขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่อย่างสี่ข้อแรกนะการไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเนี่ยก็คืออะไรก็คือถ้าเรามองสัตว์ทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สี่เท้าสัตว์เต่าฉานต่างต่าก็ดีเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เบียดเบียนเขาในในพุทธศาสนาแบบมหายานอย่างเช่นแบบจีนแบบนั้นนะ แบบที่เปรตหรือแบบญี่ปุ่นในหลายลทัเนี่ย์เขาจะเรียกว่าซื้อเรื่องการรักษาสิทธิ์ข้ามีเข้มขลัยโดยเฉพาะปานาติปลาตาเนี่ยจะไม่ฆ่าสัตว์หรือแม้แต่อาหารนี่ยก็พยายามที่ก็ทานอาหารแบบอาหารเจเนาะอาหารที่ไม่มีไม่มีเนื้อที่จริงการทานอาหารเจก็ไม่ใช่ว่าแต่บางที่สุดด้วยการที่ ว่าไม่กินเนื้อนะ่ะแต่จริงหัวใจจริงคือเขาคิดว่าเขาคิดว่าสมมุตินะ่ะถ้าสัตว์ทั้งหลายเนาะล้วนเคยเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นญาติพี่น้องของเราเนะี่ยเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสมมติไก่ตัวนั้นเนะี่ยชาติต้นก่อนน่าจจะเคยเป็นแม่ของเราก็ได้ปลาตัวนั้นอาจจะเคยเป็นพี่น้องหรือเป็นลูกของเราก็ได้ฉะนั้นการที่เขาทําอาหารเลยที่ ไม่มีเนื้อสัตว์ก็คือว่าเว้นจากการฆ่าเพราะว่าสัตว์นะอาจจะอาจล้วนเคยเป็นญาติพี่น้องของเราท่านั้นแลพวกเราถ้าจะดีนะก็พยายามทำแบบนี้ให้ได้เนาะถ้าจำเป็นต้องทานทานในลักษณะที่เราไม่ได้เป็คนคนฆ่าเองเอมันอาจจะตายโดยทำรายชาติหรืออะไรต่างๆก็ไดนะ้แต่ถ้าใครอยากจะเออไม่ หดเว้นจากการกินเนื้อเลยนะก็ยิ่งดนะีแต่จริงก็ไม่ใช่ว่านะจะบริสุทธิ์ด้วยการที่ไม่กินเนื้ออย่างเดียวหรอกนะเพราะว่าที่จริงก็คือเป็นการลดการเดยดเบียนเะนาะเราอยากจะรักทรัพย์ของคนอื่นนะจะโกงคนอื่นที่จริงถ้าพูดจริงจริงนะเรากล้าโกงพ่อโกงแม่เราสมมตนินนะก็จะมีบ้าง น, นะบางคนนะแต่ก็ส่วนน้อยนะ ถ้าเป็นคนที่เรารักคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยการที่เราจะกล้าโกงของเขาเนี่ยมันน้อยนะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยเราจะบางทีบางคนไม่มีความละอายเใจเนี่ยก็จะทำได้ง่ายการที่เราไปเบียดเบียนลูกเหนือของคนอื่นหรือหัวของคนอื่นก็เหมือนกันนะบางทีเพราะเราไม่คิดว่าเขาเป็นญาติพี่น้องเราแต่ถ้าเราคิดว่าเขาอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องเรา เขาก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเนี่ยความรู้สึกเบียดเบียนมันจะน้อยตัวเองนะรวมทั้งการโกหกการพูดคำหยากเลยนะก็เหมือนกันนะถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็อยากจะพูดดีกับเขานะแต่ถ้าเราไม่รักเนี่ยบางทีหรือเราไม่รู้จักนะโดยเฉพาะสมัยนิยมคําพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดต่อหน้ากันมันเนาะ การที่เราคอมเมนต์กันในสื่อออนไทยต่างๆเนี่ยเคยอ่านเนาะบางทีบางทีไม่ได้รู้จักอะไรหรอกนะแต่เวลามีเหตุการณ์สักสักอย่างเนี่ยโอ้เวลาคอมเมนต์กันอีดรุนแรงมากอ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมมติว่าคนนั้นอาจจะเคยเป็นญาติของเราขึ้นมาเนี่ยเราจะกล้าคอมเมนต์แรงขนาดนั้นหรือเปล่าเนะบางที <c oughs> คนเราก็ไม่ทั น, น, ดนทได้คิดนะก็ทํำด้วยความสะใจ หรือทำด้วยความที่ไม่ได้คิดคิดหน้าคิดดัางมากอันนี้แหละนนะมาว่าที่จริงเมื่อเรามองสัตว์ทั้งหลายนะส่วนเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาขึ้นในใจเรียกว่ามีพรมิหารขึ้นในใจแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นเองนะศีลห้าเนี่ยเป็นิ่งที่สำคัญมากนะ เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะว่าเรามีสินห้าที่ดีนะในชาติที่แล้วหรือในชาติที่ผ่านมาทำให้เราทให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะนะสินห้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะโยมเราเป็นชาวพุทธเนี่ยขั้นต้นที่สำคัญเลยฝึกรักษาสินให้ให้บริสุทธิ์นะสินห้าในหลังนนีะ้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมถ้าจะถามดูจริงๆชาวพุทธเราเนี่ย บางทีเราก็ทําบุญเยอะนะแต่บางทีเราไม่ค่อยรักษาศีลคล้ายๆเหมือนกับเราเหมือนกับเรามีเสื้อผ้าที่สะอาดนะมีน้ําหอมที่หอมแต่เนื้อตัวของเราไม่อาบน้นะําเนี่ยจะสะอาดจริงหรือเปล่าโยม <c oughs> ข้างในข้างในของเราไม่สะอาดเนาะไม่เคยอาบน้ํำนะไม่เคยขัดถูสิ่งตกตะกอออกจากร่างกายเนาะ แม้เราจะแต่งตัวสวยนะหรือว่ามีน้ำหอมมาปกลุมร่างกายของเรานะแต่ข้างในมันไม่สะอาดจริงศีล น, นะคือการชำระจิตใจให้สะอาดนะเมื่อจิตใจเราสะอาดเนี่ยทาบุญกุศลเนี่ยมันก็จะบริสุทธิ์โยมนะเราจะทำบุญอะไรเนี่ยจิตทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้อานิสงส์มากอานิสงส์ของบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มากเพราะว่าเราทำด้วยจำนวนเงิ น, เนที่เยอะ หรือด้วยวัตถุที่ใหญ่นะแต่อันิระสง์ของบุญที่มากจริงๆคือทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ถวายสิ่งที่บริสุทธิ์ผู้รับก็มีสิ่งที่บริสุทธิ์ก่อนให้ก็บริสุทธิ์ใจขณะที่ให้ก็เต็มใจให้แล้วก็ไม่เสียใจไม่เสียดายอันนี้แหละนะเราจะได้บุญกุศลนะ ที่บริสุทธินะ์ขึ้นเนาะวันนี้พวกเรามาทําบุญนะอใหพ้พวกเรามาทําบุญให้กับอศพที่อาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องของเรานะในชาติในชาติหนึ่งนะหรือเราจะบุที่ส่วนบุญส่วนต น, ส, น, ส, นส่วนหนึ่งเนาะให้กับญาติพี่น้องของเราที่ที่ร่วมรับดับขันไปแล้วก็ได้นะแต่ก็อยากให้เราระลึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแหละนะ ล้วนเคยเป็นญาติพี่น้องของเราทั้งนั้นเนะให้เราได้มีความรักมีความปัจจนาดีนะช่วยเหลือแต่มาขี่ขึ้งกันและกันเนาะนะแล้วก็ให้เรามีศีลห้าประจําใจไวนะ้มันจะเป็นการขัดเกลจิตใจของเราให้ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดขึ้นนะแล้วเมื่อจิตใจของเราสะอาดเราบริสุทธิ์แล้ว จิตใจก็จะมีความสุขนะจิตใจที่มีความสุขนั่นแหละคือเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิแปลว่าเนี่ยเราทําอะไรก็รมีความสุขนะแต่คําว่าความสุขในที่นี้ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่ใช่เราไปฆ่าสัตว์ยิงยิงสัสตว์ก็มีความสุขไอ้แบบนั้นเป็นความสุขแบบเบียเดเบียนคนอื่นแต่ความสุขเช่นคือเราทําอะไรแล้วเราทําด้วยความสุขทําด้วยความพอใจนั่นแหละ จะมีสมาธิเราจะทําได้นานนะบางคนชอบวาดรูปนะก็วาดรูปอยู่กับการวาดรูปได้นานเนะี่ยก็มีสมาธิบางคนชอบเล่นดนตรีนะก็มีความสุขมีความสนุกในการเล่นดนตรีก็มีสมาธิอันนั้นเป็นสมาธิที่เราใช้ในการผ่อนคลายมนาะแต่ความสุขใจที่เกิดจากการที่จิตใจสะอาดนะี่มันจะเป็นสมาธิที่ทําให้จิตสงบนะจิตตั้งมั่น แล้วจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นเพราะสมาธิแบบนี้เลนะมันจะทำให้เรามีปัญญาปัญญาคือเราเห็นความจริงโร่างกายจิตใจเป็นแบบนี้เนาะร่างกายไม่เที่ยมร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวตนจิตใจไม่เที่ยมจิตใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ใช่ตัวตนนะเราไปยึดความไม่เที่ยมมันก็เป็นทุกข์เราไปยึดความไม่ใช่ตัวตนนะ มันก็จะเป็นทุกข์อันนี้คือปัญญานะเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะเกิดการปล่อยวางขึงนะ้นนั้นเรามีร่างกายนะแต่พูดโดยสมมุติว่าเป็นร่างกายของเรานะแต่จริงร่างกายเนะี่ยเขาเป็นเพียงแค่ธาตุทั้งสี่นะมาประกอบกันนะเหมือนกับเราเห็นคนป่วยทั้งหลายเนาะเขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เราดูแลเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้ป่วย ก่อนหน้านั้นเขาก็แข็งแรงเหมือนกับเราเนี่แหละนะแต่วันนี้เขาป่วยเขาไม่สบายนะเราก็พิจารณาในใจนะวันนี้เราเป็นคนดูแลเขาแต่วันข้างหน้าเราก็อาจจะเป็นคนที่ถูกเขาดูแลอีกทอดหนึ่งเหมือนกันวันนี้เรามาทําบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วไม่วันใดวันหนึ่งก็จะมีญาติพี่น้องของเรามาทําบุญให้กับเราตอนที่เราจะตายเหมือนกันนะนั่นะมันก็ล้วนหมุดเบียยไปอยู่เนี้ยเรื่อยๆนะว่าตัดสงสารนะ มันไม่สิ้นสุดสักทีนะต่าบเมื่อเรายังไม่เรียว่ายังไม่พ้นจากการบินไหวใจเกิดจริงๆแต่ถ้าเมื่อใดเรามีปัญญา เ, เรามีส ต, ติเห็นความทุกขนะ์แล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้เมื่อนั้นนะเราจะพ้นจากวัฏสมสารพ้นเพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเรานะจิตใจนี้เป็นของเราเราจะคืน เราจะคืนร่างกายให้กับธรรมชาตินะคืนร่างกายให้กับดินน้ำลมไฟมันก็ธรรมดานะกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนะคืนจิตใจนะให้กลับไปสู่ธรรมชาตินะกลับไปสู่ความไม่เทียมความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนะกลับไปขันห้ากลับไปสู่ธรรมชาติลนะนะอันนี้คือเราจะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้เนาะนะนั้น โอกาสนี้นะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ได้มาทําบุญแล้วนะก็ให้พวกเราได้มีศีลอย่างที่มาว่าถ้าเราพิจารณาดีเราจะเกิดศีลขึ้นในใจนะในการที่เราไม่เบียดเบีย น, นคนอื่นไม่เบียดเบีย น, นตัวเราเองด้วยนะแล้วก็เราพิจารณาความจริงของชีวิตแบบเนี้ยเราจะมีปัญญานะเมื่อเรามีปัญญาแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญนะยิ่งขึ้นไปนะเราก็ได้ครบเลยนะทํางทำบุญ ทรละความชั่วนะแล้วก็ทกําจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทั้งนี้นแหละคือหัวใจคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะก็ขอฝากพวกเราทุกคนให้เดินหนอยตามนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกขึ้นในใจของเราอยู่เสมอแล้วก็หมั่นประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้านะถ้าเราก็จะเป็นผู้ที่เป็น ตาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตอนไปเลยขอดูท่านเอาให้ไปจัน